ก็บังคับตัวเองแหละก็บังคับตัวเองแหละมันไในชื่อถ้าเราไม่บังคับตัวเองก็ไม่ชื่อหรอกเราต้องยอมรับสบภาพนะว่าจิตใจมันเป็นยังไงก็ได้ไม่ฝืนมันไม่หันหน้านะอ้อย ริหลวงพ่อไป่สามหลวงพ่อไปสามรู้สิหลวงพ่อประโมทเนี่ยเลยหาวัดอยู่ไม่ได้แล้วว่าไปหลวงพ่อก็เมื่เมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่าไปติดอยู่ในภพหนึ่งอะค่ะเออให้ความนิ่งๆแล้วก็สุขๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าอย่างนั้นติดบ่อยมากเลยค่ะหลวงพ่อไห้รู้ทันยจะรู้ไม่ทันแทกไม่ได้นะแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อวานแล่ะ รู้สึกไห้หลุดออกมาไม่เหมือนกันแล้วถ้าก็อยู่วัดเอะอยู่วัดเหมือนกันเลยมากไปก็ถ้าตอนใจอัพเกินจริงนะรู้สึกไหมมันเป่งออกมาบิตนึ้งมันอัพมากไปมันอัพนี่เพราะว่ามันมันอัดเบิกบานอะไรนั่นมันไม่ใช่มันเป่งขึ้นมา มันแกล้งท ำ, ท ำ, ทำงงขึ้นมาทำทําตรงๆดันดันขึ้นมามันก็เป็นการแกล้งทําอย่างหนึ่งสร้างภบขึ้นมาถ้าสร้างภบแล้วก็เข้าไปอยู่กับภบนี้มีความสุขให้รู้ทันนะเออหลวงพ่อคะอว่างไงเออที่ที่สอสองวันที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเวลาแล้วเดินสงกรมเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าแล้วจอรู้รู้รู้สึกอคะค่ะ อันนั้นรัดเข้าไปคลุกมากไปหรือเปล่าหรือว่าที่เรารู้สึกมันดีอยู่แล้วต้องไปเดินให้ดูนะไปเดินตรงนี้นะไปเดินหล่อยหน่อยก็ไม่ใชายังแบบติดๆแต่ตอนนี้รู้สึกมันค่อนกว่าคว่าเมื่อวานนะครับคือเหมือนมันตึงๆอย่างที่หงพอบอกเมื่อวานคือเหมือนสร้างพบว่เหมือนตึงๆอารมณ์ไว้ใช่ใช่ใช่วันนี้ปล่อยแล้ว เนี่ยทำล ะ, ะไม่มีว่ <c oughs> าง่ไม่มีตอนน้าส <c oughs> อกันบ้านเออตอนนี้เวลายอยู่กับจิตผู้รู้นะ <c oughs> ก็มีแต่จักแต่ว่าแล้วก็มีความเป็นกลางมากเกือบจะตลอด มีแต่หนึ่งไม่มีสองแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ทำดูกายเป็นเนี่ยจะดูกายบ่อยกว่าดูจิตเพิ่งไม่ทราบทำไมเพิ่งจะมาเป็นทีหลังได้ไม่มีปัญหาดูอะไรก็ได้แล้วกท็ที่ทำทั้งหมดนี่ถูกต้องดีแล้วไม่มี ก่อนนึกถึงแม่เมนะโอ้ภาวณาได้แล้วนี่ภานาได้แล้วต้องขยันบอกกิ๊บบอกแม่เมยขยันขยันนะทำได้แล้วก็ต้องทำบ่อยๆที น, ะนี้พูดถึงตอนจะตายตอนอะไรนะตอนกำลังจะตายเออสมัยก่อนนี้ดูจิตเป็นอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่น อย่างนี้ก็มีทำสมาธิเป็นดูกายเป็นแล้วก็มีจิตผู้รู้เนะี่ยแล้วก็เห็นพระอาจารย์บอกว่าเวลาคนจะตายเนี่ยกายจะไปก่อนแล้วก็จิตที่หลังอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราคือจิตที่เขาจะชอบดูกายแล้วเมเองเนี่ยชอบอยู่กับจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นดูจิตไม่เคอไไปดูด ไม่มีปัญหาอะไรคือเรารู้กายไม่ไม่ใช่ว่าเวลาตายกายตายก่อนใช่เวลาตายก็ตายพร้อมๆกันแต่ว่าขณะที่เราจะตายนี่มันจะตัดความรับรู้ทางกายออกไปก่อนอนี่ก็จะเหลือแต่ความรู้สึกอยู่ น, น, นี่จะเกิดนิมิตเหมือนกับฝันอะไรเงี้ยนี้ถ้าฝันดีก็ไปดีฝันร้ายก็ไปร้ายแต่ว่าเราเคยภาวนามาถึงขนาด น, นี้ไม่ต้องกลัวลนะ ไม่ไม่มีอะไรจะให้ทเป็นชนะหน่อยอ่ะฮะหมายถึงว่าอะไรที่ดีที่สุดที่เราเลือกได้คือเม้ไม่เ ข, าข้าใจาว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีขาจรมาหรืออะไรแต่ว่าแม่เมย์ก็ต้องฝึกตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหล ะ, ะจนใจนัะนคุ้นเคยที่จะมีสติรู้กายมีสติรู้จิตใจของเราเป็นกุศลอยู่เนือ ง, งเนืองไม่ว่ามีอาจินกรรมที่เป็นกุศล เวลาที่จะตายเนี่ยจิตมันก็จะเกิดกุศลอัตโนมัติขึ้นมาไม่ต้อ ง, งออกังวลหรอกตายดีไม่ต้องกลัวเราอาจารยมีอะไรแนะนำให้ทาต่อไปคําต่อไปนะคแต่จิตไม่มีนขนาดนี้ออกข้างนอกรู้สึกไหม <c oughs> ามารอฟังเสให้รู้ไปได้แล้วภาวนาดีถ้ามาตรงนี้ถึงนี้ดีใจ เัาไหนก็ได้ครับดีใจเราไม่ชอบเห็นคนดีใจว่างไงดีใจแต่ว่ามันมีหนักๆมัวอยู่ข้างบนมันมันต้องมีตอนที่ใหม่กลับมาเนี้ยต <c oughs> อนหน้านั้นมีไม่เป็นไรนิดเดียวตอนฟังแม่มันหายไปแต่ว่าหายไปเพราะอะไรเพราะไม่ได้จงใจปฏิบัติ <c oughs> พวกเราชาวการไฟฟ้าจบไว้นะจงใจปฏิบัติไม่ดีนะ <c oughs> ต้องฝึกเจินสติเกิดเอง ถ้าจงใจปฏิบัติเนี่ยจิตเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนแต่ถ้าสติเกิดเองเนี่ยเป็นกุศลที่มีกําลังกล้าภาษาตาราพิธามเขาเรียกว่าอสังคาริกังถ้าต้องจงจูงใจให้เกิดเ้าเรียกอสังคาริกังอสศังคาริกามีกําลังอ่อนเวลาต้องฝึกตัวนี้ท่านจิตจําสภาวะแม่นแล้วสติเกิดเองถ้าสติที่เกิดเองเนี่ยใจจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยแล้วเป็นกุศลที่มีกําลังกล้าจิตดวงนี้แหละ เอาไว้รู้กายไว้รู้ใจนะมีจิตตัวนี้บ่อยๆขึ้นมารู้สึกแล้วรู้สึกนะจะรู้กายรู้ใจได้ในอภิธรรมจะเรียกว่าเป็นมหากรุสลลุลจิตยานสัมปยุทธอสังขาริกังมีสองดวงดวงหนึ่งประกอบด้วยโสมนัตมีความสุขดวงหนึ่งเป็นเบขานะเป็นกลางกลางแบบนุ่มนวลไม่ใช่กลางกระด้างนะพวกเราพี่ภาวนาส่วนใหญ่จิตเป็นกลางแต่กลางแบบกระด้างกระด้างกลางแบบกระด้างเป็นอกุศลนะ มาถึงไหนแล้ว อ, อคุณมนสตากรรมมาแล้วเ <c oughs> <c oughs> บอร์สี่ลงไปนะเบอร์สี่ชาวไฟฟ้าต้องฝึกให้สบายนะวันนี้เครียดเกินไปทำไหมนะวันนี้เครียดเกินไปเพราะว่าพอรู้หลักแล้วก็เลยขยันตั้งใจจะเอาให้ได้คิดแต่ว่าจะเอาให้ได้นะถ้าคิดจะเอาจะไม่ได้ทำไหมนะทาเล่นๆทำเล่นๆ เราต้องทำแบบทำงานอดิเรกคนไทยทำงานอดิเรกเก่งนะทำงานจริงไม่ค่อยเก่งอะอะไรที่ตั้งใจมากนะไม่ค่อยได้ความหรอกแต่อะไรเล่นๆนะเอาจริงเอาจังเฉนั้นทำเล่นๆมีความสุขที่ได้รู้กายมีความสุขที่ได้รู้จิตใจตัวเองรู้เป็นระยะระยะรู้ไปเล่นๆหลวงพ่อภาวนาก็าภาวนาแบบเล่นๆนะแบบก่อนนี้แต่ว่าจริงจังเล่นแบบจริงจังคือหมายถึงไม่เลิก ทุกวันจะตามรู้กายตามรู้ใจแต่ไม่ใช่ตามรู้เพื่อจะเข้าไปแทรกแซงบังคับไม่ใช่ตามรู้เพื่อจะเอาอะไรสักอย่างเดียวแต่ตามดูความเปลี่ยนแปลงเข้าไปรู้สึกมันแปลกดีแต่ก่อนหัดภาวนาเคยได้ยินพุทโธพี่านักกายลองมาพี่นักกายนะไม่ค่อยได้ผลพอเวลามาพี่หนักกายทำความสงบในดูเส้นผมปุ๊บผมสลายตัวทันทีเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะสะลุทลันทีเห็นหัวโขลก ดูหัวกระโหลกพวกหัวขาดเลยดูทั้งตัวนี่เห็นแต่กระดูกนะระเบิดเสี่ยงหมดแล้วไม่ถึงนาทีนี่นเราจะดูอะไรไม่มีให้ดูเนะไม่รู้จะไปยังไงต่อพอมาเจอหลวงปู่ ด, ดูท่านบอกให้ดูจิตพอดูจิตได้ยินคำว่าดูจิตแล้วมันตื่นเต้นเราทำไมไม่เคยรู้จิตตัวเองทำไมเราไม่เคยรู้จิตแล้วมาตามดูรู้สึกแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันเลยแต่ละวันไม่เคยเหมือนเลยบางวันสุขบางวันทุกข์บางวันดีบางวันร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลง หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงใหม่ๆก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้สงบหาทางเข้าไปจัดการจัดการวันไหนจัดการได้ก็ครูเก่งนี่กิเลสเกิดอีกแล้ววันไหนจัดการไม่ได้ครูแย่นี่ก็กิเลสอีกแล้วนฝะึกอยู่สามเดือนไปหาหลวงครูอีกรหลวงครูบอกโมไปหลงยุ่งกับการแก้อาการใช้ไม่ได้นะก็เลยมาตามรู้ตามที่เขาเป็นมันสนุกที่ได้รู้การที่เราได้สนุกที่ได้รู้กายจะสนุกที่ได้รู้ใจเรียกว่ามีฉันทะนะ ฉันทามีความสุขที่ได้ทำอะไรที่อย่างหนึ่งในในการปฏิบัติก็มีฉันทาคือมีความพอใจมีความสุขที่จะได้รู้จิตรู้ใจตัวเองหรือบางคนรู้กายก็มีความสุขที่ได้รู้กายเมื่อมีความสุขที่ได้รู้จิตรู้ใจรู้กายอะไรเนี่ยมันจะเกิดวิริยะขึ้นเองจาไว้นะเกิดเองถ้ามีฉันทาละวิริยะเกิดเองคือจะขยันดูเพราะมันมีความสุขที่ได้ดู ทุกครั้งที่ดูทุกครั้งที่มีสติทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็เกิดความสุขขุดขึ้นมาในอัตโนมัติอัตโนมัตินะไม่ใช่แกล้งทําให้สุขจะมีความสุขทันทีเลยเพราะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเราฝึกจนสติเกิดจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขมีความสุขแลากจะขยันดูยิ่งดูยิ่งมีความสุขนะดูไปเรื่อยๆวิริยะเกิดจิตใจก็จดจอ่อคอยแต่เรียนรู้ตัวเองเรียกว่าจิตตะ วันๆ น, นะเขาเคลียร์แต่เรื่องการปฏิบัติเรว่าวิมังสานะเวลาทํางานก็เหมือนเออทํำๆไปพออยู่ไปวันๆ น, นะแต่โตเร็วหลวงพ่อทำงานหลายแห่งนะแต่โตเร็วมากเลยเพราะเวลาเราทําเราสมาธิเยอะจิตใจมันจดจ่ออย่างเวลาทํางานเมื่อตอนอยู่องค์การโทรศัพท์ยัยงมาไหมวันนี้ออมาบางวันนะเจ้านายหลายคนผู้มือการรองมาล้อมโต้เลย ให้เราขีดใส่คอมเลยนะไม่มีร่างนะขีดใส่คอมพิวเตอร์เสร็จพลิ้นออกมาเส็นเลยะทํางานได้เร็วขนาดน mm ั้นเข้าใจมีสมาธิแต่ว่าทําเล่นๆเป็นอค่ไรนะงานหลักของเราจริงๆนะคืองานภาวนาเราเรียนรู้เราสนุกที่ได้เรียนรู้กายสนุกที่ได้เรียนรู้ใจเหมือนบางคนสนุกที่จะเล่นไพ่ใช่ไหมเล่นทั้งคืนเ mm hmm. อสามีห้ามก็ไม่ฟัง mm hmm. ทําได้บางคนอ่านอะไร เหตุทั้งมาอ่านทั้งคืนอ่านได้แล้วแต่นะบางคนอ่านกําลังภายในดูทั้งคืนได้อะไรที่ชอบมันสำได้ได้นานหรือชอบดูบอลใช่ไหมหน้าบอลตาจะโหลัวหลัวเวลามีบอลบอลโลกห น, น้าจะเหี่ยวเหียวตาห ล, <c oughs> ลัวหลัวเน่าะอะไรเพรมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฉันทะนั้นเรามีความสุขที่จะปฏิบัติ เราจะขยันปฏิบัติจิตใจจะจดจอ่อจิตใจจะเข้าเคลียร์การปฏิบัตินี่เรียกว่ามีอิทธิบาทอิทธิบาทเป็นธรรมะที่ให้ความสมําเร็จความสําเร็จจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยไม่เนิ่นชา้าเจ็ดวันมีนะเจ็ดเดือนก็มีเจ็ดปีเจ็ดปียังไม่เห็นตัวนะนั่นต้องหักนะหักไปให้มีความสุขอย่าเคร่งเครียด สังเกตไหมวันไหนพอเริ่มเคร่งเครียดหลวงพ่อจะต้องหาอะไรเล่าให้ผ่อนคลายพอผ่อนคลายจิตใจก็จะเริ่มทำงานอีกแล้วพอเครียดเนี่ยจะซึมกระทือทื่อๆใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนันภาวนาภาวนาด้วยความสุขมีความสุขรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างมีความสุขเห็นกายเห็นใจมันทำงานไม่ใช่เราทำงานดูไปเรื่อยๆอาคุณมนรอจน่านหมดไปแล้ว ตันรอใจมันก็ดิ้นที่ขึ้นตลอดนะหลวงพ่อมันเป็นทุกครั้งเลยอะค่ะแล้วไม่รู้เป็นไงนะพอหมถึงคุณมนนะหลวงพ่อจะให้ถือไว้นาทุกครั้งเลยหลวงพ่อังน้สงสัยว่ามันหมอะกัคุณมนเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นเพง่อฟังรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องเลยที่หลวงพ่อพูดนะอยากฟังนะใจนี้อยากฟังมากเลยแต่มันไม่รู้เรื่องมันจะเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติฟังรู้เรื่องไม่ใช่การปฏิบัติหรอกนะเรียกว่าปริยัต การที่เห็นกายเห็นใจมันทํางานนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติอ้าวว่าไปหลวงพ่อข่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อบอกว่าจิตมันตั้งมั่นนะคะเหมือนก็หืมมันจะรักษาเอาไว้ได้แค่สองวันเองค่ะเสาร์กับอาทิตย์อ้าวหลวงพ่อลืมดูเอาไปเดินใหม่เงัอเลยให้ดูลืมไปละเอาไปเดินใหม่เดินใหม่เอาไปเดินไปเดินไป คนแก่ก็อย่างนี้แหละแป๊บเดียวก็ลืมแนละ้วเอาคุณมุธเอาละคุณมลจบยังวันเสาร์ดับไรอ่ะหรือว่าหลวงพ่อแกล้งสองคนเลยหรือครับไม่แกล้งหรอกอมันชี้ลืมแล้วไงก็มันได้อยู่2วันเลยค่ะตั้งมั่นอยู่2วันวันจันทร์มันหายไปหมดเลยอะค่ะเอ า, เอาใจหายไปแล้วรัก เดินแล้วเป็นอะไรนะมาถามอะไรหลวงพ่อนะลุกไปปะอ๋อไม่เข้าแตพฟุ้งไปกลัวจะเข้ามากไปเลยไปดึงดึงเอาไว้แต่รู้สึกไมมไม่ธรรมชาติเออเอาเดินต่อไปเอาวันเสาร์วันเสาร์ไม่ได้แกล้งนะเห็นซระเป็นนักแกล้งเนะ นั่นสาวหลอบอกคนตั้งมา่นใช่ไหมครัเออมันก็ใหญ่ไว้หาไว้มันก็ที่อยู่วันอาทิตย์วันเดียวเพราไม่ต้องทํางานค่ะเพราะวันจันทร์มันก็ไปกับงานหมดเลยเนี่ยเนยอย่างนี้เข้าไปมากไปนะอย่างนี้เข้าไปแล้วอย่าเข้าไปรู้เล่นเดินเล่นเดินต่อไปอ้ารักษาได้วันเดียวคือวันอาทิตย์ต้องไงหยีมันก็บอก มันทําอะไรไม่ได้ไลอลยค่ะหลวงพ่อมันก็รู้แต่ว่าเออมันก็อยากแต่ว่าในที่สุดมึงก็ยอมแพ้แต่กับกิเลนเลยแล้วกันทํางานไปแล้วเสรแล้ ว, วก็จนมาเมื่อคืนนะคะมานอ น, น, นอยู่งตอนที่หมุนตัวเนี่ยจิตมันกระเด็นออกไปรู้สึกไหม <c oughs> เพราะงั้นเวลาเดินจงกรมแล้วพอสุดทางเนี่ยอยู่นิ่งๆกันรู้สึกตัวให้สบายค่อยๆหมุนกลับมาไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่ใช่ช้าจนหมุนชั่วโมงหนึ่งนะหมุนธรรมดานี่แหละ ขมูลกลับมาแล้วก็หยับทั้งเดินรู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินแล้วไม่งั้นเวลาเราเดินไปสุดทางขมูลปุ๊บเนี่ยจิตกระเด็นออกนอกทางจงกรมเไยดูออกไหมเมื่อกี้อาเดินต่อแล้วไงอีกเามากื่อคืนมันก็รู้วันนี้มันก็มาส่งกันได้เลยคะ่ะมันก็มีโทสะที่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยตังย้งแต่จันรดิ้นถึงพฤทธันก็นอนดูมันโทสะไปอคะ่ะก็มีบ้างหายบ้างที่ตอนเช้าวันนั้นฟังหลวงพ่อนะคะบันจะเห็นว่า <bees S 2> จากโมหะครอบเยอะๆเลยนะคะฟังหลวงพ่อไปนานๆสองแสนมันมีพลังนะคะมันก็ตั้งมั่นแป๊บๆแล้วมันก็โมหะใหม่สลับเรื่อยๆถูกไหมคะที่มลดูดีนะขอบคุณค่ะรัดจงใจแรงไปนิดนึงกลับมาถึงล้วันนี้มาดูมันนิ่งๆไม่รู้ไปกดหรือเปล่ากดไว้นิดนึงเลย แล้วจิตดิน้นดิ้นไม่ไม่ค่อยอะใช่ไหมไม่เยอะแต่ว่าไปกดเหมือนกันะเอารัดกลับมาได้แล้วรัดเจ้าที่เจ้าที่จำได้ยังเวลาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะส่วนหน้าหลวงพ่อพาให้ดูสภาวะการที่เราเห็นสภาวะของรูปธรรมของนามธรรมสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูการที่เห็นสภาวะเนี่ยในทางกำลังเขาเรียกว่าเห็น ลักษณะเฉพาะของสภาวะแต่ละตัวพบว่าสภาวะแต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกันอย่างความโกรธก็เป็นแบบนี้ความโลภเป็นแบบนี้ความสุขความทุกข์เป็นแบบนี้การรู้จักลักษณะเฉพาะของสภาวะแต่ละตัวลักษณะเฉพาะเรียกว่าวิเศษลักษณะลักษณะพิเศษการที่เรารู้จักวิเศษลักษณะเช่นความโกรธมันมีลักษณะอย่างนี้ความใจลอยมีลักษณะอย่างนี้พอจําได้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นเลยว่าสภาวะนั้นไม่คงที่หรอก แต่ภาวะนั่นอยู่ช่วคราวเพราะงั้นการที่เราเห็นวิเศษลักษณะก็เลยเป็นหนทางทําให้เห็นสามัญลักษณะเห็นไตรลักษณ์ทีแรกเราเห็นทีละตัวก่อนเอ้ตัวนี้เกิดแล้วก็ดับตัวนี้เกิดแล้วก็ดับแต่ละตัวเนี่ยคนละตัวกันไม่ใช่ตัวเดิมะคนละตัวเห็นเลยว่าคนละตัวถ้าทุกตัวมาเราไปทุกตัวมาแล้วไปเห็นอย่างนี้ในที่สุดมันเกิดปัญญารวบยอดปัญญามันรู้รวบยอดเลยทุกตัวไม่เที่ยงทุกตัวเป็นทุกทุกตัวไม่ใช่ตัวเรา เวลาปัญญาเกิดมันจะเกิดรวบยอดไม่ใช่เกิดตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ว่าเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราแล้วก็บรรลุไม่ใช่หรือเห็นว่ากายไม่ใช่เราแล้วก็บรรลุธรรมไม่ใช่มันจะเห็นภาพรวมทั้งรูปทั้งนามเลยกาไม่ใช่เราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเห็นในภาพรวมนะ <c oughs> พี่ชัยว่ารัดใจลอยแล้วรัดรู้สึกไหมจิตเป็นยังไงอ อะไรนะเมื่อกี้มันไปลงไปคิดอยู่อตอนนี้ล่ะตอนนี้มันตอนนี้ตรวดเอาไว้เป็นรึงไว้แล้วนะคุณผู้ชายเรียนกับหลวงพ่อต้องทนนิดนึงนะหลวงพ่อแบบเนี้ยเดี๋ยวอ่ะวกไปวกมานะเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อพาให้ดูสภาวะหลวงพ่อไม่ได้เลคเชอร์พาให้ดูสภาวะนะมันใล้ยๆมันมีจังหวะว่าคนเนี้ยถ้าชี้ตอนนี้เขาเห็นเลย มันเหมือนเปล่งกระบี่นะตอนไหนจะชิมก็หอยกว่านยังไม่แน่งั้นอย่าประมาทนะ <c oughs> อ้าพี่ชายช่วงนี้ก็เห็นวนไปวนมาครับเห็นจงใจเจตนายอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างแต่ก็ดีที่ว่ามันเห็นได้ถี่ขึ้นนะครับแล้วก็ละเอียดขึ้นมันมันไม่เป็นกลางทีเดียวนะวันนี้ขอห้อยดีนะวันนี้ใช้ได้จิตฟุ้งค่ะพี่ชายใช้ได้ดีฟุ้งแล้วรู้ว่าฟุ้ง คุกเราอยอมรับสภาพอ่ามีโมหะด้ค่ะเนี่ยถูกต้องใช้ได้แล้วดีพิชัยไปกดมันที่กดมันเพราไม่ยอมรับสภาพเอาเพราะผมไม่มั่นใจว่าแพ่งไปหรือแรง ไ, <ม>ไ ป, งไปนิดนึงแรงไปหน่อยไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันจะเหมาะครับคือเราไม่หาตัวที่ถูกนะแค่รู้ตรงที่มันผิดเช่นเอี่ยงขนาเนี้หนีไปคิดแนละ้วรู้สึกไหมรู้สึกครับแค่รู้ว่ามันหนีไปคิด แต่ของคุณรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งยืนพื้นอนู่ครับตัวที่นิ่งยืนพื้นอยู่นี่แหละเราประคองไว้ครับถ้าสัใ์ใดที่มีตัวหนึ่งนิ่งอยู่ตัวอื่นแสดงใจรักษณแต่เหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่เนี่ยแสดงว่ายังจงใจอยู่มัใช่คอยรู้สึกกล่าวอยู่ตลอดเวลาอย่าจงใจรู้สึกปัญหาของคุณจงใจรู้สึกนะครับถ้าคุณจงใจรู้สึกมันเลยมีตัวหนึ่งที่เกินจริงนิ่งอยู่นิดนึงครับผมถ้าลดความจงใจลงเราง่าย ในหนังสือวิถีแห่งความรู้แจ้งสองนะหลวงพ่อพูดถึงคําว่าโลภะเจตนาอยู่ท้ายๆท้ายๆเรื่องแหละโลภะเจตนาเนี่ยดูยากมากมันเป็นความจงใจที่เจือด้วยความอยากความจงใจที่เจือด้วยความอยากมันจะทําให้เกิดการกระทํากรรมคือการทํางานทางใจเพราะฉะนั้นตัวโลภะเจตนาเนี่ยนะมันทําให้จิตใจเราปรุงแต่งปรุงการปฏิบัติขึ้นมา ระบใดที่เรายังปรุงการปฏิบัติเนี่ยเรายังเข้าสู่มรคลในขณะนั้นไม่ได้เลยเพราะว่าความปรุงแต่งยังดําเนินอยู่ให้เรารู้ทันความจงใจที่เจือด้วยโลภะถึงความจงใจใดๆทางใจแล้วเรียกว่ามโนสัญญาเจตนาความจงใจทางใจเนี่ยความจงใจทางใจที่เจือด้วยสัญญาจงใจแบบรู้ตัวว่าจงใจอย่างนี้แหละอันนี้แหละทาให้เกิดการกระทํากรรมเพราะฉั้นถ้าจงใจทางดีก็ ก็เจือด้วยโลภะนะลึกๆอะจงใจทางไม่ดีก็เจือด้วยโลภะอยู่ลึกๆหรือเจือด้วยโทสะถ้าจงใจขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดการทํางานจิตจะหุนเวียนทํางานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสิ้นร น, นเดี๋ยวก็ประคองไว้เดี๋ยวกดไว้เดี๋ยวกระโจนไปวิ่งจับอารมณ์นะเนี๋ยวย่างง้อนเดี๋ยวยังงี้ เ, งเกิดการทํางานขึ้นมาทุกคราวที่เกิดการทํางานขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนะให้เรารู้แต่ไม่ให้เรารัก รู้การทํางานของเขาไม่ละนะละนี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญามีหน้าที่รักปัญญามีหน้าที่ตัดเรามีหน้าที่รู้สติมีหน้าที่ระลึกเท่ า, น, านั้นเองระลึกด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรียกว่ามีสัมมาสมาธนะิถ้ารู้แล้วใจไม่เป็นกลางเรียกว่าไม่มีสัมมาสมาธิถ้าปราศจากสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเนี่ยถึงกิเลสโผล่ขึ้นมานะสภาวะก็ยังอยู่อย่างนั้นเลย ตัดไม่ได้จริงเท่าไหร่เพราะปัญญาจะเกิดนะเกิดร่วมกับสตินะแต่สติเกิดตัวเดียวได้ไม่มีปัญญาก็ได้เนี้ยธรรมะมันมันประณีตเราค่อยๆเรียนไปแต่ธรรมะทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดฟังดูเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะมันมาจากการดูอันเดียวเลยรู้ลงไปที่ตัวเองนี่แหละรู้กายรู้ใจนะแล้วธรรมะทั้งหลายมันจะแสดงตัวออกมาหลวงพ่อถึงถามหลวงค ด, ดูเนี่ยท่านสอนหลวงพ่อมาโอ้สอนอะไรเยอะจัง เทตั้งแต่จักรวาลเกิดมาได้ยังไงจนถึงทํายังไงนะสัตว์โลกเกิดมาได้ยังไงเนี่ยจนถึงยนิพพานยังไงสอนละเอียดถามท่านว่าขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมท่านบอกได้ธรรมะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ออกแกะจิตดวงเดียวนี่เองการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจก็เท่ากับเราเรียนอาพิธรรมอยู่แล้วแต่เราเรียนอาพิธรรมในภาคปฏิบัติกายกับใจเรานี่แหละตัวอาพิธรรมหรือหมายถึงไม่มีคนไม่มีสัตว์ไ ม, มตวไม่มีเราไม่มีเขา เห็นแต่สภาวะทำล้วนๆเลยในสุดใจเราก็พ้นจากรูปจากนามก็เข้าไปถึงนิพพานนะนิพพานมีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างขึ้นมานิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ต้องไปหาไกลเมื่อไรใจพ้นความปรุงแต่งเมื่อนั้นก็เห็นนิพพานท่านใช้คําว่าเข้าไปประจักษ์นิพพานใช่ไหมเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปทําให้แจ้งท่านไม่บอกทําให้เกิดนั้นนิพพานมีอยู่แล้ว ถ้เมื่อไรตัณหาดับนะก็จะแจ้งนิพพานแจ้งเองในขณะเดียวกันนั้นนะแหะแปลกนะแหลกจริงๆอย่างเรารู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งนะเรีว่ารู้ทุกข์ตัณหาจะดับในขณะนั้นเลยนิพพานปรากฏในขณะนั้นเลยอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยเกิดทีเดียวกันนะวับเดียวนั้นแหละบางคนถ้าสติปัญญาไม่ไหวนะอย่างได้โสดาได้อะไรนะรู้สึกเหมือนตกต้นไม้นะ รู้สึกใจรวมเพื่อออาไปถอยออกไปอ้าวสังโยชน์ขาดไปแล้วดูกระบวนการไม่ทันที่แท้มีกระบวนกานะกระบวนกาทําทลายสังโยชน์มีแต่ไม่ต้องเรียนมากเสียจะจํำเอาไว้แล้วมันไปปลุกขึ้นมาปลุกได้นะเขาพูดใจลอยอยู่อย่าบังคับสินะใจถึงถึงใจถึงถึงยังบังคับอยู่อามาให้เบอร์หนึ่งเขาสัทีได้ได้แถวหนึ่งวันนี้จะจบไหมเนี่ย หมดไปครึ่งชั่วโมงแล้วเออวันีเพิ่งเริ่มปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงได้เรียนถามทางวิทยากรบอกว่าให้ลองเดินดูก่อนก็ลองเดินดูแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อมีบางโชวงที่ก็จะแวบไปบ่อยมาไปคิดนูน่นคิดนี้แค่กั้นเดินไปเดินแล้วแวบแล้วรู้นะไม่ใช่เดินไม่ให้แวบเดินแล้วอย่างนี้ยนั่งอยู่ก็แวบรู้สึกไหม แต่ไหลแวบไปเฉยๆอยากเรียนถามอาจารย์ว่าอย่างการดูจิตนะครับไม่ทราบว่าสิ่งที่เราตามไปดูมันคือจิตที่แวบไปแวบมาใช่ไหมครับแล้วคนแล้วสิ่งที่ดูนี่คืออะไรสิ่งที่ดูก็คือจิตนั่เงเราใช้จิตดูจิตจิตดวงใหม่ไปดูจิตดวงก่อนที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆเช่นจิตตะกี้เผลอไปเกิดจิตดวงใหม่ไปรู้ว่าจิตตะกีเผลอไป เป็นจิตพละดวงกันท่านถึงใช้คําว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตนั่นแหละเป็นคนเห็นจิตแต่ว่าเป็นจิตคนละดวงไม่ใช่ดวงเดิมดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเพราะงั้น ใ, นใจหนีแ บ, บแ๊บละรู้สึกไหมของคุณยังมีปัญหาคือยังไปตรึงไว้นิดหนึง่งอย่าประคองหลงเป็นหลงสิแต่คุณรู้สึกไหมจิตของคุณวันนี้กับเมื่อสามวันก่อนไม่เหมือนกัน ดูออกไหมตัวนี้ยเดี๋ยวนี้มันสว่างกว่าก่อนดูออกไหมมันโล่งๆกว่าแต่ก่อนพมาวันแรกๆจะาเอวันแรกๆญญนะเขาเรียกว่างงเตก <laughs> เคยมีคนหนึ่งนะเป็นนักธุ ร, รกิจมีชื่อเสียงมากเลยหมาว่าเปนินทาต้องดูก่อน <laughs> ตอนนั้นหลวงพ่อไปอยู่สวนโพที่เมืองการไปอยู่ใหม่ๆนะวันหนึ่งแกบุกเข้ามาเลยตอนนั้นยังไม่ได้กําหนดก็ไม่ให้มาตอนบ่าย ไม่ค่อยมีใครไปหาเท่าไหรเะยไปปลุกไปถึงนะแล้วแกก็บอกผลวพ่อผมมีเวลาให้ท่านครึ่งชั่วโมงท่านว่าบอกเล่าผมนี่จะเภานางไงอ๋อจะเรียนครึ่งชั่วโมงเหรอเราจะสอนแบบครึ่งชั่วโมงนะสอนหลักๆให้ครึ่งชั่วโมงสอนเสร็จแล้วแกก็หายไปนานเลยนะวันหลังมาสารภาพวันนั้นนะผมไม่รู้จะขับรถออกจากวัดท่านยังไงมันงงไปหมดเลย แต่ว่าอาศัยเวลานะธรรมะที่หลวงพ่อมอบให้เนี่ยเป็นธรรมะที่ต้องใช้เวลาย่อยธรรมะบางชิ้นที่ครูบาอาจารย์ให้นะหลวงพ่อใช้เวลาย่อยทั้งยี่สิบ ป, ปีอย่างหลวงปู่ดูลสอนเราเราเดือนกันยาสองหกสอนบอกว่าต้องทำลายผู้รู้ใช้เวลาย่อยธรรมานี้ทั้งยี่สิบ ป, ปีกว่าจะเข้าใจ ดังสิ่งที่พูดให้ฟังวันนี้นะบางครั้งข้ามพบข้ามชาตินะข้ามภพขาชาติใส่เพราะเราฟังด้วยใจที่เปิดรับเคยมีพระองค์หนึ่งอยู่สมัยหลังพุทธกาลนะลราวพศสามร้อยอยู่กับอาจารย์หนุ่ยในปา่าอาจารยนะ์เป็นมะเร็งที่น้าแข้งมะเร็งผิวหนังกินลึกลงไปเรื่อยพรยา น, นี่ยังหนุ่มนะเก็พยายามหาใบไม้หาอะไรมาพอกหายามมาใส่ไม่หาย รู้啦อาจารย์จะตายโอ้นั่งร้องไห้นะรักอาจารย์อาจารย์จะตายแล้วอาจารย์ก็ปลอบดูสิคนป่วยปลอบคนไม่ป่วยอนะการปลอบบอกว่าจะร้องไห้ทําไมกายของเรากระสับกระส่ายแต่จิตเราไม่กระสับกระส่ายเลยในพระองค์นั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ธรรมะเนี่ยฝังอยู่ในใจฝังอยู่ในใจไปเรื่อยๆก็รู้เลยว่าถ้าฝึกไปถึงจุดหนึ่งนะ กายกระสับกระสายได้นะธาตุขันแปรกรวนได้นะแต่จิตไม่ทุกข์เราฝึกไปแล้วจิตไม่ทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าฝึกแล้วกายไม่ทุกข์นะเนี่ยธรรมะ ม, มันข้ามภพข้ามชาติมันไม่เหมือนการเรียนตำราเรียนตำราพอสอบเสร็จก็ลืมละหรือพอแก่แก่ก็ลืมละกานที่เราฟังธรรมะด้วยใจที่เปิดกว้างเนี่ยมันติดตัวเราไปเป็นซัพย์ที่ติดตัวนะเป็นปัญญาที่ติดตัวไปแล้วก็ถ้าไม่ใจร้อน แล้วก็ไม่ขี้เกียจใช่ไหมมีเงื่อนไขที่แปลกไหมไม่ใจร้อนแล้วก็ไม่ขี้เกียจนะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นรู้ไปอย่างมีความสุขไม่ใช่รู้แบบโลภมากเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบระบรลุนะต้องรู้อย่างมีความสุขนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะถ้ารู้อย่างมีความสุขเนี่ยมันจะได้ผลอย่างรวดเร็วมากเลยพระใจจะตั้งมั่น จิตบอกแล้วไงความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิใช่ถ้าเรามีสมาธิมีความเพราะว่ามีความสุขที่ได้รู้กายได้รู้ใจสมาธินั้นจะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็าจะเห็นความเป็นจริงของกายของใจในเวลานสั้นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องเห็นนะต้องได้ผลนะที่ไม่ได้ผลเราทาจิตฉะนั้นมาหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็คอยแก้ให้ ตัวนี้เพ่งแรงไปตัวนี้ฟุ้งซ่านไปะค่อยๆปรับค่อยๆปรับถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ตูบาอาจารย์ใช้โยนิโสมนานสิกการใช้ความสังเกตเอานะช่วงนี้จิตมันสว่างอย่างสมมติว่าจิตของคุณอยู่ตรงนี้หลายวันเหมือนกันเนี่ยต้องรู้แล้วว่ามีอะไรผิดนะไม่ใช่โอ้มันดีคงที่อยู่ได้ไม่ใช่มันดีไม่ได้นะแล้วไงแล้วไงรู้สึกไหมยังกดอยู่ ครับยังเกิดยังเกิดอยู่นะส่งตอบมาวันนี้เป็นไหนะัดเล่าธรรมะยาวมากไปเดี๋ยวตรวจกันบ้านไม่ได้ยี่สิบคนแต่วันนี้ครบแล้วใช่ไหมก็ ย, ยังชั่วหน่อยไม่ไม่หมดก็ไปตอบพรุ่งนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วก็พอจะเผลออยู่เรื่อยค่ะเผลอบ่อยไหมบ่อยเหมือนกันห้านาทีเผลอกีกครั้งทํากันบ้านยังห้าหกครั้งโรัยน้อยนะเ <laughs> ออ ทนาทีละห้าหกครั้งนีออ่พอใช้ได้แล้วใจลอยแวบบแวบบแวบบตลอดเวลาแล้วไงแล้วไงเนี่ยใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจเผลอแว บ, บไป ใ, บให้เรารู้ทันก็รู้ว่าเผลอนะเนี่ยไปอีก แ, บบแวบละรู้สึกไหมห้ามมันไม่ได้รู้สึกไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้นั่นแหละคือคำว่าอนัตตาเห็นไหมฝึก สอสามวันเริ่มเห็นคําว่าจิตเป็นอนัตตาล้วจิตมันทํางานได้เองอ้าเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามอยากเคร่งเครียดนะเบอร์หนึ่งใจหลงไปแล้วหลงไปคิดนะเบอร์หนึ่งหลงไปคิดเบอร์สองเบอร์สองเลยไปกดตัวเองแข็งแข็งไปแล้วนะเห็นไหมมันสุดต่งสองข้างไม่หลงไปก็ไปเพ่งเอาไว้ค่ะตื่นเต้นค่ะเออค่ะทราบว่าหนูรู้สึกตัวถูกไหมคะซึมเกินไป จิตยซึมเกินไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าใช้ได้ละเรียนต่องสามวันได้แค่นี้เก่งนะไฟฟ้านี้เก่งนะตงงใจบุญเยอะชอบทาบุญบุ้งเนาะหมายถึงต้องปล่อยให้สบายกว่านี้เหรอ่ะปล่อยให้สบายกว่านิดใจซึมไปนิดหนึ่งรู้สึกไหมนิ่งนิ่งนิ่งหลวงพ่อทําหน้าให้ดูนิ่งนิ่งนะแต่นิ่มนิ่มไม่ใช่นิ่งนิ่งแล้วแข็ง อย่างนี้อย่างนี้ลําบากถ้านิ่มๆอย่างเงี้ยสบายแล้วจะเผลอๆเพลินๆไปหลายชาติเลยต้องให้รู้ทันนะให้รู้ทันเอาเบอร์สี่เบอร์สีใช้ได้แล้วกับนวัตกรรมพระอาจารย์นะคะคือตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็ติตินะคะร<ม>ู้ค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าเมื่อคืนนี้เหมือนกับไม่ได้นอนนะคะแพ่แคว่าพอเราอยากจะนอน ก็กลายเป็นว่รู้ว่าอยากนอนอะไรอย่างนี้นะคะมันมันแบบไม่เป็นไรเนี่ย ไ, ไม่ได้มีธุระอะไรเว <c oughs> ลานอนไม่หลับมีเคล็ดลับนะ <c oughs> วันหลงังจะเปิดคอสเก็บเงินดีกว่ากา <c oughs> นอนเป็นโรคนอนไม่หลับเ <c oughs> วลานอนไม่หลับแล้วกลุ้มใจจะยิ่งนอนไม่หลับต้องให้สบายใจ <c oughs> อย่างถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วมีเคล็ดลับง่ายๆเลยถ้านอนไม่หลับนะรีบบอกตัวเองโอ้ยบุญยังไงวันนี้จะดูทั้งคืนเลย ห้านาทีก็หลับพราะว่าเมื่อคืนนี้แบบเพิ่นเพอเหมือนกับว่าพอจะทํำเด็กก็เหมือนเขารู้ไปหมดนะคะเรู้เองแล้วก็ก็เลยทําแบบเหมือนกับเจริญสตินอนคะก็กลายเป็นว่าไม่หลับอีกไม่เป็นไรไม่ได้มัวซัวอะไรนี่ใช่ไหมรู้สึกไปกันแหละค่ะแล้วก็จะเรียนถามพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือตอนที่มาวันครั้งแรกๆ่ะนะคะ มีรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเครียดแล้วเหมือนกับตัวทําไม่ได้แล้วก็เหมือนกับมันสับสนนะคะเราก็เลยพอรู้ตัวว่าเครียดนะคะก็เลยปล่อยอารมณ์มาพอดีตรงหินห้อยมันจะมีขอดไม้ะค่ะก็เลยไปนั่งพักเล่นๆนะคะโดยที่ว่าไม่ได้สนใจไม่ได้กําหนดไม่ได้อะไรเลยอค่ะแล้วอยู่ในดีๆมันก็มีเหมือนนี้มันมีก้อนแอะไรมันแน่นขึ้นมาตรงที่หน้าอกทันทีเลยะค่ะแล้วพอพอเสร็จแล้วมันก็พุ่ง มันเหมือนทุวงออกมาฮะแล้วมันก็หายไปกลายเป็นว่าตอนนั้นจิตใจมันเบิกบานเป็นครึ่งครึ่งวันนะคะพระอาจารย์แล้วเป็ น, นะะแล้วจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่เป็นก็ช่างมัน<ฆ>เราไม่ได้ฝึกเอาอะไรสักอย่างเดียว<ฆ>เราฝึกให้เห็นเลยทุกอย่างเชื่อกราวเห็นไหมทุก<ฆ>อย่างเชื่อคราวแล้วฝึกกับหลวงพ่อนะคนนึกว่ากระจอกนะแม่ไม่เห็นพานั่งสมาธิไม่เห็นทําอะไรภาวนาทั้งวันทั้งคืนเลยเวลานอนนะับพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยเห็นไหม จิตขยับไปเยืน่นคิดอะไรู้หมดเลยมัน อ, อัตโนมัตินะเนี่ยเวลาสติอัตโนมัติมันหมุนจีจีเลยทั้งวันทั้งคืนเคยได้ยินอาจาร์มหาบัวพูดไหะหมุนติ้วๆทั้งวันทั้งคืนเลยนะทั้งหลั บ, บ, บทั้งตื่นเล ย, ท, ล ท, เลยทํางานแล้วก็มีอีกอย่างนะคะเหมือนมีเสียงพระอาจารย์เตือนนะแบบเวลาเวลาทําเผลอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีเสียงพระอาจารย์เผลอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนใคร อาจารย์ทุกท่านรู้สึกเนี่ยนะตามกันแจเลย <c oughs> เป็นเรื่องปกติบางคนมีภาพประกอบด้วยเห็นหลวงพ่อเดินมาตาเขียวปัดมากำลังใจลอยเป็นเรื่องปกติค่ะขอบคุณค่ะนิมัตการหลวงพ่อครับก็ผมก็รู้สึกสบายๆนะครับแล้วก็กำลังพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆครับก็ คิดว่ากลับไปนี่คงจะต้องไปฝึกต่อไปอีกครับดีแล้วนะอย่าทิ้งนะครับคือเรามีโอกาสได้เรียนสิ่งซึ่งหายากหลวงพอพูดนะหายากว่าหลวงพ่อจะเรียนจะได้นะลบลุกคลุกครานลาบากมากเลย บ, บ, บางทีไปหาครูบาอาจารย์บางองค์นะเดินอนยะู่งั้นแหละไม่มีรถเข้าไปนะเดินเข้าไปมีบางองค์ไปหาท่านนะเดินตั้งแต่เช้าจนบ่าย บ, า ย, บายไปถึงนะแล้วต้องเดินออกไปอีกก่อนจะเดินไปถามพระองค์หนึง่ง บอกหลวงพ่อวัดนี้อยู่ไกลไหมไม่ไม่ไกลพอาขึ้นรถนะัดแวบบเดียวก็ถึงและ้ะโอ้โเราเดินนึกครึ่งวันเรากลับมาต่อว่าท่านท่านอยู่วัดสุดทัาจินดาโคราชวันนี้ท่านเป็นเจ้าคณะภาคมาต่อโอ้หลวงพ่อผมเดินนักลเหลือไกลเหรอพอขึ้นรถหลวงพ่อ น, นั่งสงมาธิแวบบเดียวก็ถึงแล้วนะแหมพูดไม่ออกเลยเนาะ เขอบคุณทั้งสบายๆนะอย่าทิ้งฝึกไปเถอะมีประโยชน์แล้วถ้าฝึกไปเรื่อยๆนะคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วมีคําว่ารวดเร็วนะไม่เนิ่นช้าเพระธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะที่เนิ่นช้าที่เนินเน่นช้าเพราะทําผิดดีฝึกไปนะขอบคุณมนยังกดไปนิดหนึ่งนะคุณเบอรห้ายังกดบังคับตัวเองอยู่นิดหนึ่งคุณเบอร์หกเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ว่าไง บางครั้งก็รู้สึกคึบๆบางครั้งก็รู้สึกลงๆครับดีนะของคุณเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่เดิมคุณเพ่งแรงเลยอ <c oughs> ันนี้คลายออกมาได้อย่างนี้น่าอัศจรรย์ไม่ใช่ง่ายนะครับคนที่จะกล้าทิ้งสมาธิที่เกาะไว้แน่นตลอดหลายปีเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลย <c oughs> ใจถึงถึงถ้าเราไม่ไปกดให้นิ่งคุณเริ่มเห็นเลยใช่ไหมมันเคลื่อนไหวตลอดับ <c oughs> มันเปลี่ยนตลอดมันแสดงใจรักตลอด <c oughs> ดูอย่างนี้เรื่อยๆดี ยังมีการสะคองติดค้างอยู่นิดหน่อยนะครับใช่ๆรู้สึกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อสภาวะที่เรียกว่าสติที่หลวงพ่อสอนกับที่กับผมเข้าใจเนี่ยไม่ทาว่ามันเป็นสภาวะสติแมนะ้แต่ว่าความระลึกได้ ร, ระลึกขึ้นมาโดยไม่เจตนาระลึกเช่นใจลอยแล้วก็ระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวใจลอยไปแล้วนะหรือเดินอยู่เนี่ย ก็ระลึกขึ้นได้ว่าอ๋อไอตัวนี้กําลังเดินอยู่ร่างกายนี้กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี่สติเป็นตัวระลึกสติอย่าไปแปลว่ากําหนดก็แล้วกันถ้าตสติแปลว่ากําหนดเราก็ผิดเลยตัวตัวที่ระลึกได้นี่เรียกว่าสติใช่ไหมใช่สติมีหน้าที่รู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจแต่อย่างที่เรียกว่าสติรุ่นหลังชอบไปแปลสติว่ากําหนดอันนี้ยมันเจือด้วยโลภะเรียบร้อยแล้วจงใจ อย่างเวลาเราจะปฏิบัติเราจงใจไปรู้ลมหายใจนี่ไม่เรียกว่าสติแต่ถ้าร่างกายหายใจอยู่เราระลึกได้ว่าอ้อมันกำลังหายใจออกมันกำลังหายใจเข้าหายใจสัน้นหายใจยาวแค่ระลึกแค่นึกก็ได้ว่ารู้สึกขึ้นมารู้สึกถึงความมีอยู่ของเขาไม่ว่าสตินะทีนี้อย่างสมมุติว่าเวลาเผลอนะฮะเรารู้เราก็ว่าเราเผลอเนี่ยสภาะวะยังไงเรียกว่า ส, สติใช่ ในขณะที่เผลอเรู้ว่าเผลอขณะนั้นไม่เผลอขณะนั้นมีสติเรียบร้อยแล้วแต่ถัดจากนั้นเนี่ยจะกลัวเผลอแล้วก็ไปดึงเอาไว้กลัวจะเผลอไปตรงที่ดึงเอาไว้นี่ไม่เรียกว่าสติละครับเป็นการบางังค <nder Biology. S 1> ับตัวเองว่เพราะฉะนั้นเราสังเกตให้ดีพอเราใจลอยขณะที่ใจลอยจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าใจลอยเนี่ยจิตมีสติเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นกลัวจะใจลอยไปดึงเอาไว้อันนี้อกุศลตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วใจจะแข็ง งั้ถ้าพวกเราภาวนาแล้วรู้สึกไหมบางทีใจเป็นก้อนขึ้นมาแข็งแ็งเป็นก้อนแน่นๆ่นอันนั้นเพราะว่าไปบังคับไว้ะถ้าไม่บังคับใจจะโล่งเลยใจจะโปร่งลงเบาเนี่ยมีเบอร์ห้าเบอร์สี่เนี่ยเข้าใจที่หลงวงพ่อพูดแหละทีนี้สภาวะของเผลอกับสภาวะของใจลอยนี่จะเหมือนกันไหมครับสภาวะอะไรนะใจลอยกับเผลออันเดียวกั น, นครับใจลอยเผลอหลงไปกำหลงเนี่ยมันหลงได้หกแบบหลงไปทางตาหลงไปดู หลงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงทางใจหลงทางใจก็มีสองกลุ่มหลงไปคิดหรือไปกหลงไปเพ่ง <c oughs> เวลาเราปฏิบัติเราหลงนะ <c oughs> เวลาเราจงใจปฏิบัติเราหลงไปเพ่ง <c oughs> อย่างที่เรียกว่าหลงทางตาเนี่ยนะพอไปเห็นภาพแล้วไปคิดต่ออย่างนี้เรียกว่าหลงทางตาโยมลองดูดูพระพุทธรูปดิเนี่ยรู้สึกไหมเราลืมกายลืมใจในขณะเนี้ยครับ <c oughs> แต่ขณะนี้มันเป็นแค่วิบาก การมองเห็นไม่ไม่เสียหายอะไรแต่ขนณะนี้เราลืมกายลืมใจนะงม้นอ่างเราหลงไปดูเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอดูเสร็จแล้วเราไปคิดต่ออนนี้หลงทางใจตัวนี้ต่างหากที่มีปัญหาคนลภาวะกันคนล ะ, าานะนละักษณ ะ, ะพอดูพระพุทธรูปแล้วลืมกายลืมใจนี่ภาวะหนึง่งแล้วถ้าไปคิดต่อก็อไปคิดต่อแล้วก็เป็นอีกภาวะหนึ่งเขาเปลี่ยนตลอดแม้จิตเกิดที่ตาลองดูพอด้อพุทธรูปรู้สึกไหมเห็นหรือแวบเดียวแล้วถ้าใจก็จะเริ่มไปคิดแล้ว มันเปลี่ยนละจากการทํางานที่ตามาเป็นการทํางานที่ใจครับแล้วรู้สึกไหมอย่างเราคุยกับคนเนี้ยฟังหลวงพ่อพูดเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็มองหลวงพ่อใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวก็ฟัง <c oughs> เดี๋ยวก็คิด <c oughs> ไม่ได้เจตนารู้สึกไหม <c oughs> ทําเองฟังก็ฟังเองคิดก็คิดเองดูก็ดูเองจิตไม่ใช่ตัวเราทํางานได้เองเี่การที่คุณเห็นจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปฟัง <c oughs> เดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเห็นอยู่เท่านี้นัพอแล้ว จริงๆแค่นี้พอเราจะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาได้ที่ทำงานได้ของคุณติดกันสะครองแรงไปนิดนะยังไม่หมดเ <c oughs> มือเจ็ดเมือเจ็ดการทำพิัสการหลวงพ่อค่ะมันยังกดกดอยู่เพ่ ง, เ พ, งเพ่งอยู่เจ้าค่ะนี่เรียนกับใครเนี้ยใครสอนให้อยู่ที่หิงห้อยมีใครเป็นวิทยา ก, กร <c oughs> ต้อง <c oughs> ใช้ได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะ มันกดก็รู้หนะ้ามันเพ่งก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้ทำไมต้องกดเพราอยากดีอ้เบอร์แปดโยมผมก็เป็นสิทธิ่ต้อมเหมือนครับก็รู้สึกว่าวันของทางวันนี้ผมมีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆให้ตัวเองกทีครับได้อะไรนะโยมได้ทำสิ่งดีๆให้ตัวเองกทีครับได้ทำ ไ, ได้เริ่มต้นไดริ่มตนทำสิ่งดีๆสิคือได้ธรรมะจากท่านพ อ, อ, อ, อแล้วจะได้เป็นฏิบัติดีครับโยมรู้สึกไหมจิตโยมไม่เหมือนเดิมนะพอจะดูออกไหม แต่มันโล่งๆครับผมมันจะโล่งคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะโล่งมันจะว่างนะ<อ>แล้วก็ปราดเปรียวว่างไวไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งเ น, นี่ยจิตดวงนี้แหละเป็นจิตที่มีคุณภาพที่จะเอาไปเจริญปัญญาพอเรารู้สึกตัวใจเราสบายๆนะพอร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะรู้เองออจิตใจเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะรู้เองนี่มีคําว่ารู้เองมัรู้เองแล้วมันจะเห็นเลยอ๋อมันทํางานได้เองนี่เป็นปัญญาลนะ ดีนะดีชาวการไฟฟ้าเบอร์สิบสองตื่นเต้นเต็มประดาแล้ว e รับ <único Liberty Overwatch> หัวใจใกล้วายยางเอางี <ED> ้ช่วยเขาหน่อยนะให้เขาพูดก่อนเขางพอครับรู้สึกกอดตาหนะครับมอไม่เป็นปฏิผัดเลยครับเออหลวงพ่อเลยสงสารนะให้พูดพูดจะได้ปนร้อน เนี่ยคนแปลกใจนะว่าเว่าสีนะเรียนกรรมฐานนะเฮ้ยนะ <c oughs> ทำไมไม่เงียบเงียบร่าเริงได้นะร่าเริงในธรรมะแต่ว่าไม่ฟุ้งฟานไม่ขาดสติ <c oughs> ความสงบไม่ใช่อยู่ที่กิริยาการความสงบอยู่ที่จิตใจซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่สงบแบบซื่อบื้อแต่สงบอย่างมีความสุขเคยมีสมัยพุทธกาลมีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วก็ไปชมก่อนตอนจะถึงผู้ฏิผู้เจ้าคงเห็นตาอื่นๆมาแล้วบอกหน้าศัจจา์ภิกษุของพระองนะค์นะสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงไม่ใช่สงบแบบซึมๆนะเขาไม่ไปชมนะสาวกของพระองค์ซื่อบือนะ้ออัศัจรย์สาวกซื่อบือ้อหน้านับถือเอนะไม่ใช่นะสงบแต่ร่าเริงของคุณใช้ได้ละ ดีแล้วอ้าไปเบอร์สิบเห็นไหมเบอร์สิบผู้เสียสละเพิ่มเวลาคลุ่ м ใจตอนนี้เลยเตื่นเต้นมากค่ะเมื่อสักครู่เลยค่ะใช่ไ ด, ด้ก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะค่ะยังไม่ค่อยรู้ตัวรู้ใจเท่าไหร่รู้ไปนะเริ่มต้นได้ดีแล้วล่ะไฟฟ้านี่เก่งนะทีมเนี้ยเปลี่ยนได้เร็วอ้าวโยมว่างไงแล้วมังสวานท่านค่ะพรเอิญ ึกมาก็นานเหมือนกันแต่ไม่เคยดูจิตตัวเองคนะ่ะเพิง่งจะเริ่มดูค่ะดูนะดูจิตตัวเองนะอย่าดูจิตคนอื่น<ะ>รู้ผิดขอลงพ่อหลายคนนะต้องนินทานอนะ่ะมันเหลวแหลกมันไม่ดูจิตตัวเองมันชอบรู้จิตคนอื่น <c oughs> คนไหนนะถ้ายังไม่ได้โสดาแล้วเที่ยวไปรู้จิตคนอื่นนะมันจะไม่ค่อยยอมมารู้ตัวเองนะ เพราะฉั้นอย่างเรียนอย่หลวงพ่อเนี่ยพอเรารู้จิตของเราว่องไวนะเราก็จะไปรู้จิตคนอื่นได้ด้วยอย่าไปเล่นนะเลิกศาสะนาะอย่าไปเล่นอย่าไปเริ่มถ้าสนใจแนละ้วมันจะรู้อย่างรวดเร็วแล้วแก้ยากแก้ยากเอามากฝนนิพพานก่อนนะของโยมต้องทําใจให้สบายนะเครียดๆไปนิดนึงค่ะอ้าเบอร์นี้โยมรู้สึกไหมพอใหม่ไปเนี่ยใจเราเปลี่ยนมากเลยใจเราก็ปี่กกระเปล่ารู้สึกไหม <c oughs> เออให้รู้ทันอย่างนี้ จิตที่ดีที่สุดคือจิตตรงตะกี้นี้แหละตรงนี้ไม่ดีแล้วตรงที่หลาครอบคุย ด, ด้วยนี่เริ่มไม่ดีแล้วเริ่มแข็งไปตอนส่งใบนั้นอะดีก็ <c oughs> ตื่นเต้นอะค่ะเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยเทา่าไหร่แต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยปฏิบัติอะค่ะแต่ว่าแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่เครียดอะไรก็ทําตัวสบายๆแต่เราได้เริ่มตันแล้วเห <c oughs> ็นกิเลสหรือยังเห็นกิเลสต้างไหม ก็เผลอทุกที่อะค่ะเผลอตลอดเลยเ อ, อเผลอบ่อยยิ้มตลอดเลยค่ะไม่เป็นไรเผลอแล้วหน้าบึ้งไม่ดีค่ ะ, คะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะค่ะซึ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะก็อยากจะขอคำที่แนะนกหลวงพ่อค่ะหลูงพ่อแนะนมาตั้งชั่วโมงแล้วก <c oughs> รู้กายรู้ใจไปน ะ, ะรู้สึกเล่นเล่นรู้สึกสบายสบาย รู้สึกบ่อยๆใช่ได้ดีล้วเป็นเรียนกับใครล่ะคไหนคนไม่ไม่ได้คนไหนเป็นวิทยากรให้มีไหมไม่ได้เข้ากลุ่มเพราะว่าตอนมาวันแรกก็ไม่สบายป่วยอ่ะค่ะแล้วพอช่วงบ่ายก็ต้องทีกลับไปพักเป็นนอนนะคะเพราะป่วยยังไม่หายเลยอะค่ะอาป่วยแต่แล้วนอนดูร่างกายป่วยนะอย่าป่วยอย่านอนหลับนะเวลสิบสี่ อยากจะทราบว่าที่ปฏิบัติมาสามวันพงษ์ยมยังบังคับไปนิดนึงแต่ใจเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมใจเราสว่างขึ้นโปร่งขึ้นค่ะแต่ยังมีตัวหนึ่งทื่อๆไปนิดนึ่งให้รู้ทันนะต่อไปมันจะหายแล้วไปทราบก็จะต้องไม่ต้องทําอะไรธรรมาถาไม่ต้องทํำนะฮะธรามถาไม่ต้องธรรมถาทาแต่ทําทําทําอะไรพุทโธหรือหรือหายใจไม่เคยทําอะไรเลยค่ะไม่ต้องทําไม่ได้ทําอะไรก็ยังไม่ต้องทําอะไรค่ะทําอย่างนี้ไปก่อน แต่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องเรียนเหมือนกันสมสถะก็จําเป็นนะ ถ, ถ้าไม่มีสมสถะเป็นกําลังหนุนหลังเนี่ยกําลังที่จะเดินปัญญาเนี่ยไม่ค่อยมีใจลอยแล้วทราบไหมค่ะก็ทราบว่าอยากพูดทราบไหมอยากพูดค่ะเห็นแรงดันไหมมันดันขึ้นมากลางอกเนไหม ม, มีแรงดันแรงดันตัวนี้นะมีชื่อภาษาแขงด้วยนะชื่อปัญหานะมันจะเป็นแรงผลักถ้าแรงผลักนี้เกิดขึ้นเนี่ย ถ้าเราทําตามมันนะมันจะให้ความสุขเรานิดนึงถ้าเราไม่ทําตามที่มันสั่งนะมันจะลงโทษเราเลยจะอึดอัดขึ้นนิดหนึง่งเพราะฉะนั้นตันหาเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยตันหาถึงเป็นเจ้าโลกได้ตันหาเป็นผู้บงการทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะตันหาเป็นผู้บั ง, ง, ง, บงคับบัญชาที่ให้คุณและให้โทษะแล้วเวลาให้คุณนะอย่างมันสั่งเราไปดูนังพอเราไปดูปุ๊บนะมีความสุขได้แวบหนึ่ง มันจะสั่งงานชิ้นใหม่ทันทีเลยไม่มีให้อยู่เฉยนะทั้งวันทั้งคืนเพราะะั้นให้เรารู้ทันปัญหาที่ผุดขึ้นในใจเนี่ยจะผุดอยู่เรื่อยๆคอยดูไปเรื่อยนะ<ม>เช่นความอยากอยากฟังด้วาอยากฟังอยากดูด้วยอยากดูอยากกินด้วยอยากกินอะไอย่างเงี้ยอยากอะไรขึ้นมาก็รู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆดูใจที่อยากไปเรื่อยๆนะของคุณพอเห็นได้อยูอ่รู้สึกสบายใจไหม เนี่ยตอนที่ใหม่มันไปเนี่ยรู้สึกไหมภารามันไปแล้วค่ำ ว, ว่ารู้สึกใจมันทื่อๆแข็งๆค่แล้ววันนี้รู้สึกมีความสุขสบายใจค่ะ อ, อแต่ก็ยังตึงไม่นิดหนึ่งนะรู้สึกไหมมีตัวหนึ่งนิ่งเ อ, อ, เ อ, อให้รูไ้ไปรู้เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันหายเองวันนี้ยังไม่เก้าหมู่ครึง่งรู้สึกเหนื่อย <c oughs> บางคนมาบ่นว่าไม่หลวงพ่อพูดเร็วเร็วยิ่งพวกเขาถอดเทปอะถอดไม่ค่อยจะทันเพราะสภาวะมันเร็วเราพูดช้าๆนะสภาวะเปลี่ยนไปเยอะแยะละตามดูไม่ทันเนี่ยพูดไปให้พูดนานๆหน่อยบางครั้งไม่ทราบว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงคะ่ะก็เลยคอยดูตัวเองรู้สึกตัวยังไงแล้วก็คอยจ้องตัวเองคะ่ะแล้วก็คิดแล้วก็ภาก ค, คะ่ะ ไปจ้องตัวเองไม่เรียกว่ารู้สึกตัวคิดก็ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวภาคก็ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวถ้ารู้ว่าจ้องตัวเองเรียกว่ารู้สึกตัวรู้ว่าคิดรู้ว่าภาคเรียกว่ารู้สึกตัวเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมใจไหลไปคิดคิดตบตวนค่ะเออตบตวนกลัวไม่รู้เห็นไหมต้องตบตวนเรียนกรรมฐานนะเราไม่ได้เรียนภาคปริยัติเราไม่ได้เรียนเพื่อทรงจําไว้ เราเรียนเพื่อหัดสังเกตสภาวะเพราะงั้นอย่างมาฟังหลวงพ่อพูดแล้วใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อก็รู้ทันใจวิ่งไปคิดก็รู้ทันการที่เราคอยรู้ทันตัวเองนั่นแหละเรียกว่ารู้สึกแล้วอตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมไหลแวบแวบแวบไปอยากไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหมรู้สึกแล้วใช่ไหมเริ่มไปยักหน้าแล้ว <c oughs> ต้องสบายกว่า น, นี้นะอย่าจงใจจงใจแรงไปนี่คนนี้ใครเป็นวิทยากร พี่แมวค่ะแมวเออดีดีใช้ได้แมวนี่เรียนกับหลวงพ่อมานานมากเลยอยากฟังประวัติวิทยา ก, กรไหมน่ารักนะทีมนี้น่ารักไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยทนะัอุศาสาร์ช่วยกัน ถ้าศึกษาตัวเองเข้าใจแล้วก็พยายามช่วยคนอื่นนั่นเป็นหน้าที่ของชาวพุทธช่วยเท่าที่ช่วยได้ตามกําลังของเราชาวไฟฟ้านี้ก็เหมือนกันนะหนึ่งเบอร์สีเนี่ยช่วยคนอื่นได้แนะแต่อยาเพิ่มช่วยนะเดี๋ยวเสียเอาตัวรอดก่อนของคุณบอร์นหนึ่งก็ดีนะแต่มันติดบังคับแรงไปนิดนึงรู้สึกไหมมอนกดนิ่ง เบอร์สิบเจ็ดเอร์สิบหกใจลอยอีกแล้วเบอร์สิบเจ็ดเชิญก็เพิ่ง<ม>เริ่มปฏิบัตินะครับก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ก็รู้ตัวว่าเมือ่อเมื่อคิดบ่อยนั่นแหละเก่งด้วยภาระหน้าที่ที่มีก็คือเราไม่ต้องไปให้เหตุผลอธิบายเลย <c oughs> เราแค่รู้ว่าเออมันเผลอไปแนละ้ว แตาค่อยรู้ไปเรื่อยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะใช้ได้ของคุณดีแล้วล่ะแต่หลวงพ่อบอกอะไรอย่างหนึ่งนะถ้าเราบอกว่าเรามีงานเยอะไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้หลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพิมพ <c> ์ <ười> คือประวัติหลวงพ่อเกษมเกศมโกมีหลวงพ่อเกษปคุยกับพระเจ้าอยู่ห่ะ แจอยู่หัวท่านเล่าอกท่านเวลาน้อยงานท่านเยอะใช่ไหมแล้ท่านสอยชีวิตท่านในช่วงเล็กๆท่านมีเวลานาทีสองนาทีท่านก็ดูละงานท่านเยอะกว่าเราแน่ๆเลยเพราเราอย่าอ้างว่างานเยอะไม่มีเวลาดูนะตอนไหนที่ไม่ต้องคิดเรื่องงานเราก็รู้เอานะหลายคนพอคิดเรื่องงานแล้วพอหมดเวลาทํางานโอ้เหนื่อยขอพักผ่อนก่อนเดี๋ยวมีแรงเราจะดูนี่ช้าไปถ้าปฏิบัติเก่งๆนะทํางานเสร็จแล้วเหนื่อยโอหัวหมุนติ้วๆเลยรู้ว่าหัวหมุนติ้วๆ เหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยอยู่นะรู้สึกรู้อะไรก็ไม่ชัดเจนรู้ว่ารู้ไม่ชัดเจนนี่เรียกว่าปฏิบัติทั้งหมดเลยไม่ต้องรอให้ใสปิ๊งปิ๊งแล้วค่อยดูหรอกนะอะไรอะไรมีอยู่ต่อหน้าต่อตารู้ลงต่อหน้าต่อตาเลยจะได้ไม่เสียเวลานะเบอร์สิบเจ็ดนี้ไปคิดทราบไหมใช้ได้ละ่ะเอาเบอร์สิบแปดภาวนาดีนะเบอร์สิบแปดวันนี้ผ่อนคลายมากกว่าที่สองวันที่<ค>แล้วดีมากนะวันนี้ใช้ได้ล้ว แล้วก็แต่ยังมีกังวลอะไรอยู่บ้างกังวลรู้ว่ากังวลนะเห็นไหมว่าหลักจริงๆง่ายสภาวะอะไรกําลังปรากฏอยู่รู้ไปอย่างนั้นเลยแล้วสภาวะทั้งหลายนั้นนะจะแสดงตรรลักษณ์ให้ดูเองมีคําว่าเองด้วยนะไม่ต้องไปแทรกแซงเขาของคุณวันนี้ภาวนาใช้ได้แล้วคุณเข้าใจการภาวนาแล้วก่อนหน้านี้คุณเพ่งไหมแล้วเพ่งนะหลายปีไม่มีพัฒนาการหรอกแต่ต่อไปนี้คุณจะเริ่มมีพัฒนาการละ ไปเบอร์สิบแปดสิบเก้าวันนี้คายขึ้นค่ะแต่วังครั้งก็เผอค่ะถูกต้องต้องเผลอนะ <Okay. S 1> ถ้าไม่เผลอเลยทำผิดแน่นอนเพราะเราไม่ใช่พระอราหารันต์ถามว่าพระอราหันต์มีสติตลอดเวลาหรือเปล่า <Okay. S 1> ไม่ตลอดสติไม่ได้เกิดร่วมกับจิตทุกดวง แล้วไงอีกค่ะจะจกับเรียนถามทางจะถามไรละว่ามาค่ะตอนนี้ที่ดูอยู่นะคะของคุณน่านดีแล้วใช้ได้น ะ, ะดีแล้วกลับขอบคุณค่ะเบอยร์ยี่สิบคนนี้นะ่าเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในรุ่นเพราเป็นคนที่หกสิบรอไม่นานที่สุดครั <c oughs> บกับทำสการ์รอาจารย์ก็คนแรกเนี่ยก็ เคียดมากนะคือรู้สึกมีปวดหัวพอรู้สึกปวดหัวก็เลยวางปล่อยให้หมดก็ดีขึ้นแต่ตอนคิดก็ยังคิดอยู่นะว่าเอตอนต้องว่างีจะทํายังไงจะไปคิดอะไรแต่แล้วก็ปล่อยมันจนเยอะแต่ถ้ามาคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วสักพักนึงก็จะรู้ว่าเผลอนั่นแหะถึงจะรู้ว่าออนนั่นเผลอนั่นเข้องภาวนาอย่างนั้นครับถูกต้องละเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอะมันถึงจะตรงกับคําว่าจิตตารุปัสนา จิตตานุปัสสนาคำว่าปัสสนาแปลว่าเห็นแปลว่ารู้จริงๆแปลว่าเห็นอนุแปลว่าตามอย่างอนุภรยาภรยาที่ตามมาทีหลังอนุชาผู้เกิดทีหลังนอนุปัสสนาการต า, ตามเห็นตามเห็นตามเห็นอะไรตามเห็นจิตมันจะเห็นว่าจิตตกี้เผลอไปจิตตกี้โกรธจิตตะกี้โลภจิตตะกี้มีความสุขอะไรเงี้ย <c oughs> ดูอย่างนี้เรื่อยๆ ครับนัน้นจะ เ, เรียนถามอาจารย์ในคำหนึ่งก็คืตอนนั่งสมาธิสมมุติว่าเรารู้เวทนารู้ว่าปวดแล้วเราก็ปวดตรงนู้นเดี๋ยวย้ายไปตรงนี้นแล้วเราก็บอกว่านั่นแหะคืออนิจจังถามว่าตอนนี้เราบอกนั่งเหียคื อ, อนิจจังนี่ไม่ใช่ใช่ไ ม, ไม่ใช่ละตัวนั้นคิดล ะ, ะตัวนั้นคิดเองที่วิธีดูไตรลักษณ์นะอย่าเรานั่งสมาธิอยู่แล้วปวดเคุณสังเกตไหมเราเริ่มดูตั้งแต่ยังไม่ทันปวดอะตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยขาเราก็ยังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมต่อมาความปวดแอบมาอยู่ในขาความปวดกับขาเนี่ยคนละส่วนกันเป็นคนละสิ ความปวดก็อันหนึ่งขาก็อ่านหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ขาจิตที่เป็นคนรู้ความปวดก็คนละอันกับความปวดเนี่ยเราต้องค่อยแยกนะกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งจิตส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นเลยกายเขาก็ทําหน้าที่ของกายเวทนาก็ทําหน้าที่ของเวทนาจิตเขาก็ทําหน้าที่ของจิตเขาทางานของเขาเองอย่างเวทนานี้เราไม่ได้เชื้อเชิญเขามามาแล้วไล่เขาก็ไม่ไปทีนี้นั่นถึงจะเห็นใจรักนะแต่ไม่ใช่คิดนะมีการรู้สึกเอา มีปัศนาต้องรู้สึกเอาไม่ใช่คิดเอาอย่างตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมของคุณเอาเป็นคนจริงจังไปเล่นๆหน่อยนะเล่นๆภาวนาเล่นๆภาวนาเล่นๆแล้วง่ายใจลอยแล้วทราบไหมรัดเป็นไรลมใสไปเลยอย่างสาวอย่างแท่ดมอย่าดม <c oughs> เดี๋ยวหลวงพ่อก็มีนะ <c oughs> อา้าต่อไปนี้คนที่ไม่ใช่ไฟฟ้ามีบ้างไหมใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญยกมือนู่นส่งไปข้างหลังเลยยกมือไว้นายทีละชัยทีละคงไม่ทีละชัยคนนี้เล่นเด็ดนะชื่อในเท็เดี๋ยวเล่าประวัติให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อได้บรรยากาศตอนตอนนั้นอยู่ที่ผ่านทิศด้วยกันแหมเขียน อินเทอร์เน็ตนะเขียนกระทู้โอ้โหคนนี้ความรู้ดีเขียนอย่างกับพระอริยะเลยในคอ น, นพยายามจะนัดเจอตัวหลวงพ่อนะนัดกันไปที่พุทธมนตรพุทธมนตรมันมีศาลาหลายหลังใช่ไหมเล็กๆนัดกันไปที่ศาลาที่เขาขายเครื่องแล้วเราก็ไปยืนรออยู่อืฝ hmm. านนี้ทําไมมันยังไม่มาตามนัดม hmm. ีมีแต่อปแป๊ะอะไรอยู่นี่คนหนึ่งภาวนาไม่เป็นเนี่ย ทักสืบ้อตั้งนานนะเพราะคนนี้เองเพราะนเวลาที่เขียนนะเวลาที่พูดนะกับสภาวะจริงๆบางทีไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั <c oughs> ้นเราเวลาเราฟังธรรมะก็ต้องเรามาระวัง <c oughs> ธรรมะที่พูดแบบเดียวกันเนี่ยเยอะมีเยอะนะแต่สภาวะที่เหมือนกันอย่างเนี้ยไม่ค่อยมีหรอกผมข้าวกล้ายืนยันเลยนะหายากเพราส่วนใหญ่จะติดติดสมถะ งั้นถ้าเราเข้าใจที่หลวงพ่อบอกแล้วต่อไปเวลาเราฟังธรรมะนั่นจะสดชื่นเราฟังแล้วเราจะรู้เลยว่าคําสอนอันไหนอยู่ในระดับไหนตรงไหนจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองเไม่ยากอะไรเอาโอเคว่าไปเอา่าผมจะต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครัก็นิสัยเก่าๆ ก, ก, ก็โอเคแล้วล่ะ <c oughs> การปฏิบัติครับอ๋ไม่ถามให้ชัด น, นี่ <c oughs> อย่าประคับนะ ขอเก๋ okay, ใช้ได้แล้วแต่ว่าของเก๋ okay, ฟุ้งสซ่านเยอะไปนิดนึงครับเมื่อคืนนอนน้อยมากสามชั่วโมงครับฟุ้งซ่านมากไปหน่อยให้รู้ไปนะครับอามีใครอีกเอเบอร์สิบแปดแล้วก็เบอร์ห้าสิบสองยกมือหน่อยเบอเร์สิบแปดเดี๋ยวก็าำนิดนึงว่ า, าตอนนี้ติดอะไรอยู่หรือเปล่าคะหลวงพ่ อ, อ <laughs> เอาจริงจริงไหม Oh. <laughs> ใช้ได้แล้วนะภาวนาใช้ได้ละเหมือนสองอาทิตย์ก่อนมันติดติดมองใช้ได้เพราะอะไรจิตเราเป็นยังไงเราก็รู้แล้วนะรู้ไปรูปเดียวที่ภาวนาอยู่ดีแล้วนะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันเดี๋ยวเสียรางครัคร้งมาถามนะบอกว่าภาวนาเป็นยังไงงนี้ ถามง่ายตอบยากบางที่เกรงใจนั้นที่จะตอบ <c oughs> อนักมัธยาลหลวงพ่อนะครับอยากจะสอบถามนิดนึงตรงที่ว่าอจิตผู้รู้มั่งจิตเผลอไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สงสัยเ่ามอนเกี่ยวกับขันห้าตรงข้อไหนบ้างครับอะไรน ะ, ะขันห้าครับผมว่าอที่เป็นรูปเวทนาวิญญาณสังขารอะไรอย่างเงี้ยนะครับจิตหลงไปก็เป็น จ, จิตมีโมหะก็เป็นวิญ ญ, ญาณขันตัวจิตเป็นวิญ ญ, ญาณขัน ความหลงเป็นสังขารขันมันไม่ได้ทํางานเดี่ยวๆจิตอนะจิตนะ่ะต้องทํางานประกอบกัสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกคือสิ่งที่มาประกอบเช่นหลงไปหรือความสุขความทุกข์อะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่มาประกอบจิตจิตจริงๆไม่มีรูปร่างแสงสีอะไรนะเหมือนน้าที่ใสสะอาดน้ําบริสุทธิ์จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสใช่ไหมแต่เป็นน้ําเขียวน้ําแดงเป็นน้ําสะอาดน้ําไม่สะอาดน้ําเหม็นน้ําหอมอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่มาเจือพน จิตนี้ก็เหมือนกันโดยตัวมันเองเป็นธรรมชาติรู้แต่เป็นธรรมชาติรู้ที่ดีบ้างเร็วบ้างก็แล้วแต่สิ่งที่มาประกอบมันถ้าสิ่งที่ประกอบมันคือสติปัญญาใช่ไหมก็เป็นจิตที่วิเศษจิตที่ดีถ้าสิ่งที่ประกอบเป็นอกุศลก็เป็นจิตที่เร็วแล้วไงเรายังสงสัยว่าอย่างขันที่หที่บอกวิญญาณวิญญาณนี่คือจิตหรือเปล่าครับ <S <S ใช่ใช่เราเราก็อย่างพวกเวทนาพวกสังขารพวกอะไรนี่มัน ก็เป็กิจเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่เขาเรียกว่าเจตสิกเดี๋ยวของคุณนะมาเรียนต่อแบบในต้มนี้นะนะาส่งมานี่อะเอาเบอร์สิบแปดแล้วก็ห้าสสองนะเสายแล้วก็ซึ่งๆนะครับ แล้วไงล่ะมันไม่มีกำลังรู้ว่าไม่มีกำลังนะเวลาที่ไม่มีกำลังใอยากมีแล้วก็อย่าท้อใจจนเลิกดูไม่มีกำลังรู้ว่าไม่มีกำลังแล้วก็ใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่มีสภาวะอะไรที่ต้องแก้ไขมีแต่สภาวะใดที่กำลังปรากฏอยู่ก็รู้สภาวะนั้นแหละแต่ถ้ามันไม่มีแรงจริงนานหลายวันอะไรเงี้ยก็ทาความสงบขึ้นมา หลวงพ่อไม่ได้เน้นให้คุณทําความสงบกลัวจะกลับไปติดครัเคยติดเชิงนะจากงากนราชการหลวงพ่อครับก็สติเกิดบ่อยครับช่วงนี้ก็จะถี่พอสมควรแล้วก็มีความรู้สึกว่าสาระในชีวิตมันเหลื อ, อนิดเดียวครับเออดีนะแล้วก็พยายามพาวนาไปก็ ค, คิดว่าคงคงไม่มีข้อสงสัยครับสงสัยก็กลับไปดูตัวสงสัยครับคุณรู้สึกไหมจะนอนจะอะไรนะจะพลิกตัวจะอะไรมันรู้ไปเองอะนะ เดกระดุกกระดิกนี่มันรู้กายมันรู้ใจไปหมดน่ะมันรู้เองนะทุกวันนี้เป็นอย่างหลวงพ่อบอกนะขยับเวลาขยับมือแม่ได้เกิดอัตโนมัติหมดอ่ะนี่เห็นไหมฝึกแล้วอัศจรรย์ไหมมีสํานักไหนทําได้มันไม่มีหรอกมีแต่เครียดเครียดนะเราได้กระดิกแล้วนะเนกระดิกและมีคนหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาทานข้าวตอนเช้าเสร็จแล้วไปแปลงฝันแปลงจนเพื่อนกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วยังแปลงไม่เสร็จเลยนะ มีนะไม่ใช่ไม่มีเราไม่ใช่เป็นหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงอยา่าไปน่วงอารมณ์ให้ช้าลงนะต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นหลายคนพยายามน่วงอารมณ์ให้ช้าลงเพื่อว่าสติช้าๆจะได้ตามรู้ทันใช้ไม่ได้ถึงเราจะพยายามน่วงยังไงมันก็ไม่ช้าจริงมันจะแอบวับแวบวับแวบตลอดงนหน้าที่ของเราฝึกสติให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสติจะเร็วขึ้นได้หมายถึงกุศลจเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาได้เพราะเราทำบ่อยๆ หัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะรู้ทุกวันทุกวันไหว้พระสวดมนต์นะก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสังเกตจิตใจของตัวเองใครเคยพุโทโธก็พุโทโธใครเคยหายใจก็หายใจใครดูท้องพองยุบก็ดูไปทํากรรมฐานอย่างที่เคยทําำต้องอย่างที่เคยทําและมีความสุขด้วยนะมีวงเล็บถ้าเคยทําแล้วเคร่งเครียดไม่เอาเปลี่ยนซะไปทําอย่างอื่นไหว้พระสวดมนต์เฉยๆก็ได้ขณะที่สวดมนต์เราก็คอยรู้ทัน อย่าจงใจรู้นะถ้าจงใจรู้จะเครียดเช่นอรหังสัมมานี่จิตแว บ, บไปแล้วแว บ, บแล้วรู้ทันหนีไปแล้วไม่ว่ากันไหนเมื่อกี้ถึงไหนอ๋อสัมมาแล้วสามพุโทโธพักเอาหนีไปแล้วยังไม่ทักภวานี่ไปอีกแล้วเนี่ยรู้อย่างนี้นะดู้เล่นๆไปเราอาศัยการสวดมนนี้แหละะเป็นกรรมฐานที่มาคอยดูจิตใจที่ไหลวักแวบวักแวบนะแล้วเวลาเลิกสวดมนแล้วมาอยู่ในชีวิตประจําวันไม่รู้จะเอากรรมฐานอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็อยู่กับพุโทโธก็ได้ พุทโธพุทโธก็คือบทสวดมนต์นั่นเองแต่แทนที่จะสวดยาวๆก็สวดสั้นหน่อยหรือคนไหนรู้สึกพุทโธสั้นไปก็สวดให้ยาวหน่อยสวดให้ยาวขึ้นหน่อยเอาให้พอดีพอดีแต่ใหญ่ายาวขนาดชินบัญชร น, นะยาวยาวไปมันไม่ได้คิดนะเนื้อมันหลงไปหลายรอบไม่เห็นเราก็อาจจะพุทโธพุทโธนะหรือพุทโธเมนาโถอะไรเงี้ยพุทโธสุสุทธโธกรุณามหันโวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอิติปิโสพัควาอะไรเงี้ก็ได้นะ แล้วใจไหลแวบไปรู้สึกใจไหลแวบรู้สึกฝึกอย่างเนี้ยฝึกอยู่เรื่อยๆเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องมีผลน่ะเพราะเรารู้ทันจิตใจของตัวเองได้ตลอดวันต้องปรับตรงไหนไหมครับไม่ปรับนะดีแล้วของคุณแต่ว่าวันนี้ตื่นนอนเร็วเกวินไปนิดนึงมันเลยซึมได้คนหนึ่งคนโน้นเอ้ า, า, าแถมให้สองคนอ่ะ เรานะคนยงไ่เหนื่อยนะแต่ใจอ่อนกานมัสการหลวงพ่อที่ปฏิบัติอยู่นี้ต้องปรับปรุงอะไรบ้างไหมคะไม่ต้องโอเคขอบคุณค่ะขยันหน่อยก็แล้วกันค่ะอยา่าขี้เกียจนะครับคําถามเดียวกันนะครับอว่ า, วาที่ปฏิบัติอยู่ต้องปรับอะไรอีกไหมครับไม่ปรับหรอกรู้ไปเรื่อยๆจิตตอนนี้ทื่อๆไป น, นิดหนึ่งดูออกไหมจิตแอบไปคิดแล้วดูออกไหม ค, คิดว<ร>่ามันทื อ, อยังไงอ <c oughs> ให้รู้ทันมันลงไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วขอบคุณแต่รู้สึกไม่ว่าใจสายไปมาเปนไปตามเสียงหัวใจเลยครับเออจิตจิตมันสายนะอให้เรารู้ทันว่ามันสายไม่ได้ฝึกให้มันนิ่งแต่ว่ามันสายก็รู้ว่ามันสายนี่แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมจิตไหลไปคิดรู้ว่าไหลไปคิดเีจะไปอีกแล้วรู้สึกไหม เชิญกลับบ้านพวกคุยอยู่ยิงห้อยก็เชิญกลับยิงห้อยไป